ตอนอนดีตเป็นตัวอย่างอันดีลูกจะต้องอ่านคำพีอี้จริงให้เข้าใจอย่างทะลุปรุโปรงเพราะเป็นคำพีที่ดีมากเล่มหนึ่งเพียงหน้าแรกก็ให้กำลังใจแก่ผู้อ่านอย่างมหาศาลโดยกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่สั่งสมแต่ความดีไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวจะได้รับผลดีเท่านั้นแม้แต่ลูกหลานเหลนหลนก็พลอยได้เสวยผลแห่งความดีนั้นด้วย เพราะเหตุนี้ท่านตาของท่านขงจือนักปราดอันเรื่องชื่อของจีนท่านจึงยกลูกสาวของท่านให้กับพ่อของท่านขงจือเพราะท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าชายที่จะมาเป็นบุตรเขยท่านนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วยังต้องมีบรรพชนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาหลายชั่วคนด้วยและก็เป็นความจริง ตระกูลนี้ได้กําเนิดนักปราชดที่ชาวจีนทั้งประเทศต้องสักการะบูชาเป็นบูชนียบุคคลที่หายากในโลกผู้หนึ่งคือท่านคงจื่อไงล่ะลูกต่อมาท่านขงจื่อได้สรนเสริญท่านตี้ซุนเป็นผู้ที่มีความกตันยูอย่างยอดเยี่ยมหาใครเปรียบได้ยากมันพชนของท่านตี้ซุนจะต้องยินดีปรีดาที่มีลูกหลานที่ดีเช่นนี้มาเส้นไหว้บูชาด้วย ลูกศึกษาประวัติศาสตร์สมัยชุนชิวแล้วลูกก็จะเข้าใจดีว่าลูกหลานของท่านตี้ซุนก็คือแคว้นเฉินทั้งหมดได้มีความรุ่งเรืองอยู่นานหลายชั่วคนทีเดียวอดีตจึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ลูกจะได้ศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและจดจำมาแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อประยุกใช้ในชีวิตประจาวันของลูกเอง